โยโซปกฆวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระภูมีพระภาเจ้านันพระองค์ใด เป็นพระอาหารหันดาเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากาโตเยนาภะวตตธรรมมุ พระธรรมเป็นธรรมอันพระภูมีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสภาเกะวะโตาสาวะกะสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระภูมีพระภาคเจ้าพระองค์ใด้ปฏิบัติดีแล้วธรรมยางพระเกวันตรรมซาธรรมงซาสังฆัง อิเมหิสการะหิยทารังอโรวิเตหิอภิปุชาญาไมข้าพเจ้าทั้งหลาย พอบูชาย่างยิงซึ่งพระภูมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ ด้วยเครื่องสาการะทา้ทางไยเหล่านี้อ่านยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไรสาธุโนพันเตภากวาสุจิระปะเรนิปุโตเป ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปารินิพพ า, านานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยตไวแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย จชิมาชนะตานุกรมบามานาสะทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พัวข้าพรเจ้ า, าอันเป็นชนรุนลงังอิเมส ก, กาเรทุกตาปันนะการภูเตปติขันหาตุขอพระภูมิพระภา เจ้าจงรับเครื่องสาการา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 อรหังสัมมาสัมพุทธโอภะกวาพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันด์ดาเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพว้ทางภะกวันตังอภิวาเทมิ กาปเจ้าว่าพิวัติพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานสวัสดตนพรากาวตาธรรมม พระธรรมเป็นธรรมที่พระภูมีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอทธรรมังนามาสามีข้าพระเจ้านามาสการพระธรรม สุปฏิปันโนภาเกวะโตสาวะกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระภูมีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆนามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ ธรรมยังพุทธาสาวกวะโตปุพาภากนมการังการโอมาเซนโมทัสสาวกวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธาสาว นาโมทัสสะพากาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโม t ัสสะพ a กาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ต, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปิดหนังสือไปที่หน้าหน้าหน้ส4นะครับ โยฮิโกจิพิกเขเวพิกสู่ท้งไหลก็ผู้หนึ่งผู้ใดอิเมจตาโรสติปัทฐานเอวังภาวยะสัตวสานิเจริสติปัทานสี่อย่างนี้ ด้วยอาการอย่างนี้ตลอเจ็ดปีตสาสะททวินังภาราังอญภาตาาาิกางขังเขาพึงวังพ้นอย่างใดอย่างหนึ่งในบันดาพนทั้งสองเทเทวธรร ม, มอัญญาสติวาอุปาติเสเสานาคามิตาคือพระ อาราห์นในปัจจุบันชาตินี้หรือเมื่ออุปาที่คือสังโยชน์ยังเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีทิท่านตัวพิเกเวสตวาสานีพิกสุทั้งายเจ็ดปียกไว้ก็ได้โยหีโกจิพิเกเวพิกสุทั้งาย ก็ผู้หนึ่งผู้ใดอิเมจตารสติปทฏฐนเอวังภาวยาชวสานจปัญชวสานจจตาริวสานจตีนวาสานิจทววสานจเอกังวสา ยารเรนสติปาทานสี่อย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้ตลอดหกปีห้าปีสี่ปีสามปีสองปีหรือหนึ่งปีก็ดีต่สาธวินนางพาราังนางัญญาตารังพรารังปาติกังคัง เขาพึงวางพ้นอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาพลนทั้งสองที่เทวธรรมไม่อญญาสติวะอุปาติเสเสอนาคามิตาคือพระอระหันต์ในปัจจุบันชาตินี้หรือเมื่ออุปาติคือสังโยชน์ยังเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามี เดทันตุพิเวชาวาสานจจัจวาสานจจจตารวาสานิจจินิวาสานิจทเววาสานเอกังวาสัญจพิสูทังลายหกปีหปีสปีสปีสองปีหรือหนึ่งปีก็ดียกไา ก็ได้โยฮิโกจิพิกาเวพิกสุทั้งไลก็ผู้หนึ่งผู้ใดอิเมจตารสุสติปัธานนเอภังพาว ย, ยสวาสตาวสานิจริอสติปัทานสี่อย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้ตลอดเจ็ดเดือน ตาสาทะวินาานางภารานางัญญาตารังพารังปาติกลางคังเขาพึงวางพนอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาพนทางสองที่เทวธรรมเมัญญาสติว่าอุปาติเสเสานาคามิตา คือพระอระหันต์ในปัจจุบันชาตินี้หรือเมื่ออุปาที่คือสร้างโยตยังเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามมติท่านตุวพิาเวสตามาสานีพิกสุทังลายเจ็ดเดือนโยกไวก็ได้โยหิโกจิพิฆเวพิกสุทัง ลา กอผู้หนึ่งผู้ใดอิเมจะตาโรสติปทานนเอกังภาวยชามาสานีจปัญจามาสานีจจัตารรมาสานีจตีนีมาสานีจท้เวมาสานีจมาสังจารธรมมาสังจาจเรือนสติปัฏานสี่อย่างนี้ ด้วยอาการอย่างนี้ตลอดหกเดือนห้าเดือนสี่เดือนสามเดือน สองเดือนหนึ่งเดือนหรือกึ่งเดือนก็ดีตาสาธวินนางภารานางอญญาตารังพารังปาติกลางข้างเขาพึงวางพลอย่างใดอย่างหนึ่งในบันดาพลทั้งสองที่เทวธรรมเมอญญาสติวะอุปาจิเสเสอนาคามิตา คือพระอาหารหันต์ในปัจจุบันชาตินี้หรือเมื่ออุปาที่คือสังโยชน์ยังเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีทีทาตูพิฆเวอธาธมะโสพิกสุทังลายกึงเดือนโยกไว้ก็ได้โยหิโกจิพิฆเว ตัางหลายก็ผู้หนึ่งผู้ใด อิเมจตาโรสติปัฏฐานิเอกวังภาวยาสตาหังจเริอสสติปัฏฐานสี่อย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้ตลอดเจ็ดวันตาสะทวินนังพารันังอัญญาตารังพารังปาติกัางค้างเข้าพึงวางพลอย่างใดอย่างหนึ่งในบันดา พ้นทางสองที่เทวาทำเมื่อญาติว่าอุปาทิเสเสอนาคามิตา คือพระอาหารหันต์ในปัจจุบันชาตินี้หรือเมื่ออุปาทิคือสังโยชน์ยังเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีเอกายโ น, โนพิเกวเวอยังมะโคพิกสุทังลายหนทางนี้เป็นห้นทางเพียงทางเดียวสัานังวิสุทธิญาเพื่อ กความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทางลายโสกะปริเทวานังสมาติกามายา เพื่อการก้าวร่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำไรรำพันโทกะโทมาณาสานังอาทั้งขมายาเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งโทษกและโทมานายายาสะอว์ทขมายาเพื่อบรรลุธรรมอันศาสพึงรู้นิพพานาสัชิกิริ ยายา เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งยาทิทางจตารสติปัฏฐานาติหนทางนี้คือสติปัฏฐานสี่ด้วยประการชานีอิติยันตังวุตังคำที่เรากราวมาแล้วนี้อิทาเมตังปฏิจาวุตันติเราอาศัย สติปัฏฐานสีนั้นกล่าวแล้วอทธามมโวจะภาควาอาตามนาเตภิคุาภาควาโตภาสิตังอาภินันทุนติ พระภูมิพระภาคเจ้าอุตรพระสูตรนี้จบแล้วภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นมีใจยินดีชื่นชมในพระภาษิตของพระภูมิพระภาคเจ้าด้วยประการชะนี้แล เปิดกลับมาที่หน้าหน้า29นะครับอา น, นิสง์การจเจริญเมตตา เมตายาภิกขเวเจโตวิมุติยาอาศวิตายาภวิตายาหุริกาตายัดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเมตตาเจโตวิมุนอันบุคคลบำเพ็ญแล้วโอภาวนาแล้วโอจะเรือให้มากแล้วญานิกาตาย ยวาตุกตายาอนุทิตายาทำให้เป็นเครื่องดำเนินทางใจทำให้เป็นเครื่องยืดเหนี่ยวทางใจปาริจิตายสุสมารธาญาอบรมสร้างสมปรารพด้วยดีเอกาทาสานิสังสาปาติกังค่างานิสงสิ อ็อย่างอ่านบุคคลนั้นพึงวางได้แน่นอนกตาตเมเอกาทาสซอานิสงสิบเอ็ดอย่างนั้นเป็นฉันไะห้สุขังสุปาติราบก็เป็นสุขสุขังปาติพู ช, ชาติตื่นก็เป็นสุข หนาป่าป่ากังสุปินังปะสะัสสติไม่ฝันรายมานุสานังปิโยโหติเป็นที่รักใครของเพื่อนมนุษย์อมามนุสานังปิโยโหติเป็นที่รักใครของเราอมามนุษย์เทวดารักันติเทวดาปกป้องรั นานาอาคิวาวิสังวาสทั้งวากะรมาติไยและยาพิษแม้แต่สัตราวดก็ไม่กรำไกรตัวตัางจิตตั้งสมาธิยาติจิตตั้งมันเป็นสมาธิได้เร็วโมกวานโนเวปสิธาติเีนาผ่องสา อสซามมลาโฮการังการโรติไม่ลงสติเวลาตาย ปูตาริงอาปาติเวชันโตพระมโรกูปะโคโหติเมื่อไม่สามารถบรรลุธรรมัานสูงในภพนี้ได้ก็ยอมเข้าถึงพรหมมโรคกเมตายาพิเกเวเจโตวิมุตติยา อาเสวิตายาพาวิตายาพาหุลิกตายาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเมตตาเจตโตวิมุตอ่านบุคคลบำเพ็ญแล้วโอภาวนาแล้วโอเจริญให้มากแล้วยานิกตายาวัตถุกตายาอนุติตายา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 อานิสงท้งสิบเอ็ดประการนี้บุคคลนั้นพึงวางได้อย่างไม่ต้องสงสัยอิธามะโวจะภากวะวพระผู้มีพระภาคจ้อวได้ตรัสไว้อย่างนี้อาตามนาเตปิกุภาเกวะโตภาสีตังอาพินันทุนติภิกษุทั้งหลายเรา นันงมีใจยินดีชื่นชมในพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยประการชะนี้แล